ตอนที่พระพุทธเจ้าจะจากโลกนี้ไปจะทรงเสด็จดับคันธะปนานิพานมีพระภิกษุบางรูปมีความวิตกกังวลว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไปแล้วจะไม่มีาศาสดาจะไม่มีาศาสดา มาคอยสั่งคอยสอนพวกเขาอีกต่อไปพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาแต่อย่างใดเลย นี่คือองค์แทนของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นศาสดาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนต่อไปก็คือพระธรรมวินัยที่ตัดไว้ชอบแล้วพระธรรมวินัยก็คือคําสั่งคําสอนนี่เองพระธรรมเป็นคําสอนพระวินัยเป็นคําสั่ง ปวีนายนี้เป็นคําสั่งให้พระภิกษุ ต, ต้องปฏิบัติตามคําสั่งนี้ต้องปฏิบัติตามคําสอนนี้จะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้เรียกว่าพระธรรมคำสอนพระธรรมวินัยคือคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรายึดถือเป็นศาสดา แทนพระองค์มาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราไม่ได้อยู่ป่าสะจากศาสดาเรายังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เก็บจารลึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นศาสดาของพวกเรานอกจากนั้นเราก็ยังมีพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายผูืที่ เป็นเหมือนผู้ช่วยศาสดาเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วมีความรู้ความสามารถที่จะสั่งสอนให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราจึงไม่ปราศจากศาสดาไม่ปราศจาก ครูบาอาจารย์ต่างๆถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์พาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางรูปได้จากพวกเราไปแล้วแต่ท่านก็ทิ้งคําสอนของท่านไว้ให้เป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราต่อไปพวกเราจึงไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีผู้ใดมาสั่งมาสอนไม่มีข้ออ้างว่า เราจะไม่สามารถปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นเพราะว่าเรายังมีศาสดราเรายังมีครูบาอาจารย์อยู่ที่จะคอยสั่งคอยสอนให้พวกเราปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย อยู่ที่เราว่าเราจะสนใจศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังหรือไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนอย่างจริงจังหรือไม่ถ้ามีความสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติอย่างจริงใจแล้วผลต่างๆย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะ เหตุที่ทําให้ผลต่างๆปรากฏก็คือการศึกษาการปฏิบัติอย่างจริงจังนั่นเอง<ม>บรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกก็เพราะท่านมีความจริงใจจริงจังต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติท่านจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานกัน ท่านถือการศึกษาการปฏิบัติเป็นอาชีพหลักเลยท่านจะไม่มีอาชีพอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องมาดึงเวลาไปจากการศึกษาจากการปฏิบัติเมื่อก่อนที่ท่านจะมาศึกษามาปฏิบัติอย่างจริงจังท่านก็มีอาชีพอื่นกันทั้งนั้น ท่า น, นก็เป็นค า, า, ารวะผู้คองเรือนกันทั้งนั้นมีอาชีพต่างๆเป็นพ่อค้าบ้างเป็นครูบ้างเป็นหมอบ้างเป็นอะไรต่างๆกันแต่พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความลึกซึง้งที่มีความหมาย ที่มีประโยชน์ต่อจิตใจเป็นอย่างมากไม่เหมือนกับความรู้คำสอนต่างๆที่ไม่ได้มีความมีความประทับใจเหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นคำสอนที่ไม่เหมือนใครนั่นเอง คำสอนต่างๆในโลกนี้เป็นคำสอนที่ให้รู้จักเอาความรู้ละ่ะที่ได้เรียนนี้มาเป็นอาชีพมาประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความรู้ที่จะเอามารักษาใจ ที่ถูกความทุกข์รุมเลา้าที่ถูกความทุกข์เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อจิตใจของตนเอง ไม่เหมือนกับคําสอนต่างๆที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจเพราะไม่สามารถดับความทุกข์ของจิตใจได้นั่นเองมีเพียงคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงคําสอนเดียวเท่านั้นที่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกให้หมดไปได้ ผู้ที่มีความทุกข์อย่างมากเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดศรัทธาอยากจะศึกษาอย่างลึกซึ้งอย่างจริงจังอยากจะปฏิบัติอย่างจริงจังก็เลยสละการคองเรือนสละอาชีพต่างๆแล้วออกบวชกันเพื่อที่จะได้ ศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอย่างเป็นมืออาชีพเลยคือไม่ได้เป็นแบบมือสมัครเล่นในระยะเริ่มแรกก็อาจจะเป็นมือสมัครเล่นไปก่อนเช่นระยะแรกๆที่ได้ยินได้ฟังธรรมก็ลองนำเอามาปฏิบัติในวันที่ว่างจากภารกิจการงานต่างๆ เช่นวันพระวันโกนสมัยก่อนเขาจะหยุดทำงานกันในวันพระวันโกนกันก็เลยจะมีเวลาว่างที่จะเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอได้ลองปฏิบัติ ด, ดูก็ได้สัมผัสกับผลได้สัมผัสกับรสแห่งธรรม ที่ชนะรถทั้งปวงพอได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้วก็เกิดความมีฉันทะคือความยินดีในรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่ชนะการยินดีทั้งปวงก็เลยไม่ยินดีกับการมีธรรมมาหากินในอาชีพต่างๆ ไม่ยินดีกับการสแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเห็นแล้วว่าสู้ความสุขที่ได้จากรถแห่งธรรมไม่ได้รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงชนะรดของราบยศสรรเสริญชนะรถของรูปเสียงกลิ่นรดโพธภิภพ ผู้ที่ได้ลองปฏิบัติและได้สัมผัสกับลดแห่งธรรมแล้วก็จะเกิดความยินดีในธรรมขึ้นมาที่เป็นการชนะความยินดีทั้งปวงก็จะมุ่งสู่การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเคยมีอาชีพอะไรเคยมีทรัพยสมบัติอะไรเคยมีลาบยศ ส, สรรเสริญอะไร ก็สละบุญไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปเพราะถ้ามีก็จะเป็นเหมือนกับสมอเรือจะทวงไม่ให้เรือนี้ออกเดินทางไปไหนมาไหนได้เรือที่จอดนี้เขาจะทอดสมอไว้เพื่อจะได้ไม่ให้เรือไหลไปตามกระแสน้ําเวลาที่เขาจะออกเรือเขาก็จะต้องถอนสมอกัน เลือถึงจะสามารถลั่นไปได้ตามทิศทางต่างๆผู้ที่อยากจะเข้าสู่กระแสของพระนิพพานเข้าสู่กระแสของการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นจะต้องถอนสมอเรือสมอที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ติดอยู่กับวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ที่ให้ยึดติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญให้ติดให้ยึดติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกรินกายเขาก็จะถอนสมอกันผู้ที่ต้องการจะนำเรือคือจิตใจให้เข้าสู่กระแสพระนิพพานเพื่อนำไปสู่พระนิพพานายนบั้นปลายต้องถอนสมองเรือกัน ต้องถอนสมองที่ผูกรัอจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่กับการหาราบยศสเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถ้าไม่ถอนสมองเรือนี้ถ้าไม่ถอนสมองใจนี้จะไปไม่ได้ใจก็จะติดอยู่กับวัฏตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น ได้อย่างติดอยู่กับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่มาฟังเทศฟังธรรมก็พอฟังเพื่อให้ได้มีคําพูดว่าได้ฟังเทศฟังธรรมกันแต่ฟังแล้วก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติอย่างจริงจังแต่อย่างใดเอาไปปฏิบัติพอหอมฝ่าหอมคอพอจะได้ ให้มีความรู้สึกไม่ถูกตําหนิไม่ตําหนิตนเองว่าไม่ปฏิบัติเลยไม่ศึกษาเลยแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรมากมายนะเพราะเวลาส่วนใหญ่ก็ยังอุทิศให้กับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นั่นเองผลที่จะได้รับจากการศึกษา จากการปฏิบัติแบบนี้จึงไม่ค่อยมีปรากฏขึ้นมาก็ยิ่งจะทำให้ต้องติดอยู่กับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เพราะราบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็เป็นเหมือนยาเสพติดนี่เวลาที่ได้เสพก็มีความสุข เวลาที่ไม่ได้เสพก็จะมีความทุกข์จึงไม่สามารถหยุดเสพลาบยศสรรเสริญหยุดเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐาพได้ถ้าไม่มีความสุขที่ดีกว่ามาทดแทนผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมคือความสงบที่ชนะรสทั้งปวงจะยังไม่ สามารถที่จะถอนสมอเรือถอนสมอใจได้ยังจะติดอยู่กับราบยศสรรเสริญยังจะติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นลดต่อไปดังนั้นเมื่อเราได้มาศึกษาแล้วเราจึงควรที่จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าในระยะแรกๆจะเป็นแบบมือสมัครเล่นเช่น มาปฏิบัติเป็นช่วงๆในวันหยุดเก็ขอให้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังเถิดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมี้ย่อมมีเสมอเมื่อปฏิบัติถูกแล้วผลก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนปฏิบัติถูกแล้วก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติถูกและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคืออะไร ก็คือการเจริญสตินี้เองเจริญสติอย่างต่อเนื่องวิธีเจริญสติอย่างถูกต้องนี้เจริญอย่างไรก็ให้จดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าใจลองได้คิดแล้วมันจะไม่มีวันสงบได้เมื่อมันไม่สงบมันก็จะไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง มันก็จะไม่มีอะไรมาทดแทนลดของลาบยศสรรเสริญลดของรูปเสียงกลิ่นลดผลธระพอกลับไปจากการปฏิบัติก็จะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นลดต่อไปกลับไปหาราบยศสรรเสริญต่อไปเพราะไม่มีลดแห่งธรรมมามาแลกเปลี่ยนกันนั่นเอง ถ้าลองได้ลถแห่งธรรมแล้วได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วแม้จะเป็นเพียงเชือกขนาดเดียวก็ตามมันจะมีอิทธิพลต่อจิตใจเป็นอย่างมากจะสามารถทาให้ถอนสมอใจออกจากราบยศสรรเสริญออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพ้าได้อย่างง่ายดายแล้วจะได้มีเวลา ทุ่มเทให้กับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างเต็มที่เมื่อมีการศึกษามีการปฏิบัติอย่างเต็มที่<ฮ>ผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาดับอย่างแน่นอน <apping. S 1> นี่คือจุดของผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่การศึกษาสู่การปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าต้องพยายามทำให้เกิดผล ขึ้นมาให้ได้แม้แต่เป็นเพียงชั่วขณะเดียวคือจิตสงบเพียงชั่วงูแลบลิ้นเท่านั้นขอให้ได้สัมผัสรถแกงรถแห่งธรรมพอรู้ว่าเป็นรถที่ชนะรถทั้งปวงแล้วก็จะเกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาขึ้นมาที่จะผักดันให้จิตใจสามารถทุ่มเทชีวิต และเวลาให้กับการศึกษาและการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่สามารถถอดถอนสมอของใจที่ติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญที่ติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะทำให้ใจนี้สามารถไหลเข้าสู่กระแสของพระนิพพานได้นี่คือ เรื่องของผู้ที่เข้ามาศึกษาฟังเทศฟังธรรมกันเป้าหมายของการฟังเทศฟังธรรมก็เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติเป้าหมายของการปฏิบัติก็นำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองถ้ามาศึกษาธรรมแล้วไม่ได้คิดว่าจะนำเอาไปปฏิบัติก็ศึกษาไปเสียเวลาเปล่า ศึกษาแล้วไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าจะศึกษาไปทำไมศึกษาหรือไม่ศึกษาก็มีผลเท่ากันไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติผลมันก็เหมือนกันการศึกษานี้มีเป้าหมาย ศึกษาเพื่อให้นําเอาไปปฏิบัติเนี่ถ้าไม่นําเอาไปปฏิบัติก็อย่าไปศึกษาให้เสียเวลาศึกษาไปแล้วก็ไม่ได้ผลแต่อย่างใดเพราะผลไม่ได้เกิดจากการศึกษานั่นเองผลเกิดจากการปฏิบัตินีแต่การปฏิบัติที่ถูกต้องได้นี้จะต้องเกิดจากการศึกษาก่อนถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วไปปฏิบัติ ก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาเช่นกันดังนั้นจึงต้องศึกษาก่อนแต่ศึกษาแล้วต้องนำเอาไปปฏิบัติเมื่อนำเอาไปปฏิบัติแล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือ เรื่องของศาสดราที่ยังอยู่กับพวกเราอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เรายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เช่นธรรมจักรกับปวัตนสูตรคำสอนที่ทรงโปรดแสดงให้แก่ปัญจวคีคำสอนที่บอกทางสายกลางให้แก่ผู้ปฏิบัติให้เห็นว่าการดับความทุกข์ต่างๆนั้นจะต้องดับด้วยมรร ที่มีองค์แปดไม่ใช่ดับความทุกข์ด้วยลาบยศสรรเสริญด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างคนส่วนใหญ่เขากระทำกันทุกวันนี้เขาแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันก็เพราะเขาคิดว่าเป็นการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในตัวเขานั่นเอง คิดว่าเมื่อมีลาบมียศมีสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เสพแล้วจะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์กันแต่ความจริงมันกลับเป็นตรงกันข้ามกันพอมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ต้องมาทุกข์กับลาบยศสรรเสริญต้องมาทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสอีก สู้คนที่ไม่มีราบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้เพราะคนที่ไม่มีราบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพแต่คนที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสคนที่เสพราบยศสรรเสริญเวลาที่ไม่มีราบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผดพะผะให้เสพ เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใจนี่คือไม่ใช่วิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจให้หมดไปและวิธีดับความทุกข์ด้วยการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้เช่นเดียวกันเช่นนอนบนตะปูเตียง ที่มีตะปูแหลมแหลมมีหนามคมให้นอนทับอย่างนี้แล้วยืนอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งไม่ไม่ตัดผมไม่โกนหนวดไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าอาพรต่างๆพิธีกรรมเหล่านี้ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้พระพุทธเจ้าได้ทรงทดลองอดพระกยาหารถึง4ี่วันมาแล้ว ก็ทรงเห็นว่ายัางดับความทุกข์จากพระไถยของพระองค์เองไม่ได้ทรงเคยดับความทุกข์ด้วยการแสวงหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายในฐานะของพระราชกุมารในฐานะของลูกของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในพระไถยของพระองค์ได้ เวลาคิดถึงความแก่ทีไรเวลาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยทีไรเวลาคิดถึงความตายทีไรก็มีแต่ความไม่สบายใจให้พระองค์ได้สัมผัสพระองค์ก็เลยรู้ว่าการดับความทุกข์ด้วยการเสพบาบยศสรรเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลธพรมนิไม่ได้เป็นทางสู่การดับทุกข์ และการทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆเช่นอดพระกาหารถึง49วันก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในพระทัยของพ่อองค์ได้จนในที่สุดพ่อองค์ก็ทรงพบทางสายกลางทางระหว่างความสุดโต่งทั้งสองทางคือทางแห่งราบยุศรเสริญกับทางแห่งการทรมานร่างกาย คือทางที่มีมรรคเป็นองแปดคือทางแห่งศีลสมาธิปัญญานี้ที่พระองค์ทรงเห็นและทรงได้พิสูจน์ได้พบว่าเป็นทางสู่การดับความทุกข์ภายในใจได้อย่างเส้นเชิงนี่คือความคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงให้แก่พระปัญจ ว, วัคคีใน ครั้งที่พระองค์ทรงประกาศพระธรรมคาสอนเป็นครั้งแรกพอผูด้ได้ฟังคือหนึ่งในพระปัญจะวะัคคีย์พอได้ฟังใจก็ได้บรรลุอริยผลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่ามีการดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีใครไปยับยั้งสิ่งต่างๆที่เกิดแล้วไม่ให้ดับได้ถ้าอยากให้มันไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ายอมให้มันดับถ้าหยุดความอยากไม่ให้มันดับได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปนี่เห็นวิธีดับความทุกข์แล้วว่าต้องดับที่ความอยากอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยง อย่างนี้จะทำให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราอันนี้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์นนกกกขึ้นมาพอรู้แล้วก็ใช้แสงสว่างางแห่งธรรมอันนี้ไปละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจต่อไปจนไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจเลย ก็เลยทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากสามชนิดด้วยกันคือกามรรตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหานี่เองพอละกามตันหาได้ละภวะตันหาได้ละวิภวะตันหาได้ ใจก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะความทุกข์นี้เกิดจากกามตัณหาภาวตัณหาและวิภาวะตัณหานี้เท่านั้นไม่ได้เกิดจากอะไรเลยไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เกิดจากการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปธรรมดามีเกิดก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาผู้ที่เห็นความจริงอันนี้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็จะไม่มีความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังเป็นอัตตาพอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ความ ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นด้วยการมีปัญญาของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนได้แต่ผู้ที่จะสามารถปฏิบัติเอาปัญญาที่พระเจ้าทรงตัดสโลนี้มาปฏิบัติมาใช้ดับความทุกข์ใจได้จําเป็นจะต้องมีศีลมีสมาธิก่อน ถ้ายังไม่มีศีลไม่มีสมาธินี้ยังจะไม่สามารถเอาปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มาละตัณหาทั้งสามนี้ได้ mm hmm. ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมาจากกัปปวัตตนสูตรนี้ทรงแสดงให้กับผู้ที่มีศีลมีสมาธิแล้วคือพระปัญจวัคคีทั้งห้านี้ เป็นผู้ที่ได้บวชมานานแล้วได้ฌานกันทุกคนแล้วได้สมาธิกันแล้วพระองค์จึงไม่ได้สอนเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิสงสอนที่ปัญญาเป็นหลักสอนให้ละความอยากทั้งสามที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจพอพระปัญจวัคคีย์ได้ยินได้ฟัง หนึ่งในห้ารูปที่มีความฉลาดกว่าอีกสี่รูปเข้าใจคาคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างลึกซึ้งสามารถน้อมนํเอาไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วทันทีทันใดสามารถเข้าถึงอนิจจงทุกขังอนัตตาเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยง อยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราพอเห็นอย่างนี้ก็เลยปล่อยวางละความอยากปล่อยให้สิ่งที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไปสิ่งปล่อยให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราให้ไม่เป็นของเราไปไม่ไปอยากให้เขาเป็นของเราไม่ไปอยากให้เขาเที่ยงเช่นร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเรา เป็นของดินน้ำลมไฟเป็นธรรมเป็นของธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายนี้ถึงเวลาเจ้าของคือดินน้ำลมไฟก็จะมาเอากลับเขินไปเวลาที่หยุดเวลาที่ตายก็เรียกว่าไม่เที่ยงไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวผู้ที่มี ปัญญาเห็นและมีกำลังที่จะละตันหาได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเห็นแต่ไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีกำลังที่จะหยุดที่จะละตันหาได้ก็ยังจะต้องทุกข์ต่อไปเหมือนพวกเรานี้เรามาฟังธรรมฟังปัญญาของพระพุทธเจ้าจนหูฉีกันแล้วรู้แล้วว่าความทุก ใจของพวกเราเกิดจากกามตัณหาภาวตัณหาและวิภาวะตัณหาแต่พวกเราก็ยังอดที่จะทุกข์กันไม่ได้เพราะยังหยุดความอยากต่างๆไม่ได้ที่หยุดไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่อยากจะหยุดหรือว่าไม่มีกำลังจะหยุดอันนี้ก็ไม่รู้อาจจะเป็นทั้งสองอย่างกำลังจะหยุดก็ไม่มี ความอยากจะหยุดมันก็ไม่มีอยากจะตอบสนองตันหาต่อไปอยากจะรับใช้ตันหาความอยากต่อไปเวลาอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ตอบสนองทันทีอยากจะไปเที่ยวก็จองตั๋วจองที่พักกันเลยอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็จองตั๋วจองที่กันไว้ก่อนกลัวจะไม่ได้ดูถ้าไม่ได้จองตั๋วจองที่กันไว ถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่และไม่คิดที่จะละมันก็จะไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ถ้ามีความอยากจะละแต่ยังละไม่ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าใจไม่มีกำลังไม่มีกำลังหยุดใจไม่มีเบรกพูดง่ายๆเหมือนกับรถยนต์เวลาขับรถยนต์แล้ว เจอไฟแดงอยากจะหยุดเหยียบเบรกแล้วแต่รถมันไม่หยุดเพราะเบรกแตกเบรกเสียรถมันก็หยุดไม่ได้รถมันก็ต้องพุ่งชนกับรถคันอื่นอันนี้อยากจะหยุดแต่หยุดไม่ได้เพราะเบรกแตกเบรกเสียฉันไดผู้ที่เห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากก า, าระวะตันหาภาวตันหานวิภวตันหาอยากจะหยุด อยากจะละกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาแต่ไม่มีเรี่ยวมีแรงจะละมันพอเห็นกาแฟาก็อยากดื่มแทนที่จะหยุดดืม่มก็หยุดไม่ได้ต้องไปซื้อกาแฟมาดื่มกันพอเห็นอะไรอยากจะดูก็ต้องไปดูกันเห็นอะไรอยากจะฟังก็ต้องไปฟังกันก็เหมือนกับรถที่ไม่มีเบรกนี่เองใจไม่มีเบรก เบรกของใจก็คือสติที่จะทำให้ใจหยุดนิ่งเป็นสมาธินี้เองถ้าไม่มีสติก็หยุดไม่ได้หยุดใจไม่ได้การหยุดของใจก็คือสมาธิใจจะหยุดได้ใจจะเป็นสมาธิได้ก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็เหมือนรถไม่มีเบรกถึงไฟแดงถึงสี่แยกไฟแดงก็หยุดไม่ได้พอหยุดไม่ได้ก็ชนกัน ชนกันแล้วเกิดอะไรขึ้นมาก็เกิดความเสียหายต่างๆขึ้นมาเวลาเกิดความอยากแล้วหยุดความอยากไม่ได้เวลาอยากแล้วไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็จะเกิดอะไรขึ้นมาก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือได้สิ่งที่อยากได้มาแล้วพอสูญเสียสิ่งที่อยากได้ไปก็จะเสียอกเสียใจ เพราะสิ่งต่างๆนั้นเป็นของชั่วข้าวนั่นเองได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันหมดไปเวลาหมดไปก็เป็นเวลาที่ทุกข์ใจกันนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติผู้ที่ศึกษาจะต้องพิจารณาว่าตนเองกำลังขาดอะไรแล้วจะได้เติมสิ่งที่ขาดให้มันเต็ม มันพอเมื่อมันเต็มแล้วถ้ามีสติหยุดใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้แล้วพอเวลาเกิดความอยากปัญญาสอนว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากถ้ามีสติมีสมาธิก็จะหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะดับไปแล้วทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาแล้วมีสติมีสมาธิ มีปัญญาบอกให้หยุดถ้าหยุดได้ต่อไปตันหาความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจเมื่อไม่มีตันหาหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ต่อไปใจก็จะมีแต่ปรลมังสุขขังมีแต่บรลมัสุขอยู่ภายในใจเพียงอย่างเดียวไปตลอดอนันตการไม่มีสิ้นสุด ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตาสาวกนี้มีปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะนี้พระทัยของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตาสาวกทั้งหลายก็ยังมีปรมังสุขขังอยู่ไม่เหมือนกับพวกเราที่ยังละตันหาไม่ได้ละกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาไม่ได้ใจของพวกเราตอนนี้ก็มีแต่ปรมังทุกขขังกัน เวลาไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายรักษาไม่ได้เวลานั้นจะเป็นเวลาที่ปรามังทุกขังปรากฏขึ้นมาแต่เวลาที่อยากไปเที่ยวแล้วได้ไปเที่ยวนี้ตอนนั้นปรามังทุกขังยังไม่เกิดเวลาอยากจะเที่ยวอยากจะซื้ออะไรต่างๆตามความอยาก แล้วได้ซื้อตามความอยากได้ไปเที่ยวตามความอยากเวลานั้นปรมังทุกขังยังไม่เกิดแต่เวลาใดที่อยากแล้วแล้วไม่ได้ดังใจอยากเวลานั้นน่ะถึงจะรู้ว่าปรมังทุกขังเป็นอย่างไรแต่ตอนนั้นมันก็สายไปเสียแล้วเพราะตอนนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาดับปรามังทุกขังอันนี้ได้เพราะไม่ได้สร้าง เบรที่จะมาหยุดปรมังทุกขังนีง้ไม่ได้สร้างธรรมที่จะมาดับปรมังทุกขังนี้เพราะมัวแต่ไปสร้างลาบยศ ส, สรรเสิญไปสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอันนี้ผู้ได้ศึกษาต้องคิดดูให้ดีว่าตอนนี้กำลังสร้างธรรมกันอยู่หรือปเปล่าหรือกันยังสร้างสร้างล า, าบยศ ส, สรรเสิญ สร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่ถ้ามัวแต่สร้างลาบยศสรรเสริญสุขอยู่พอเวลาเจอภารมังทุกข์ังขึ้นมาจะไม่มีอะไรมาดับมันได้นี่การมาศึกษานี้เพื่อให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกันนั่นเองการศึกษาเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องหยุดเราต้องหยุดการหาลาบยศสรรเสริญ หาลูกเสียงกลิ่นด・ผุดตถพภะเราต้องถอนสมอใจเพื่อใจจะได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานเพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการที่จะเข้าสู่กระแสได้นอกจากการถอนสมอใจแล้วนอกจากการยุติการหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วยังต้องมาหาธรรมกันยังต้องมาสร้างธรรมกันเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของใจต่อไปธรรมมังสารนังกัชามิรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงถ้าเราไม่สร้างธรรมเราก็จะไม่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วเมื่อเราไม่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรม เราก็จะไม่มีกำลังที่จะไปถอนสมอใจนั่นเองเราก็ยังจะต้องติดอยู่กับราบยศสรรเสริญติดอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายต่อไปอย่างไม่มีวันหมดสิ้นไม่มีวันหมดไม่มีวันหยุดต้องหาไปเรื่อยๆเพราะเวลาที่ไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกข์ทรมานใจมากนั่นเอง ดังนั้นหลังจากที่ได้มาศึกษามาได้ยินได้ฟังธรรมแล้วได้รู้แล้วว่าต้องปฏิบัติเช่นในวันหยุดทำงานนี้ต้องเปลี่ยนอาชีพจากการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาหาศีลสมาธิปัญญากันถ้ายัางไม่มีศีลก็ต้องรักษาศีลกัน ยังรักษาศีลห้าไม่ได้ก็ต้องหัดรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนรักษาศีลห้าได้แล้วก็ให้รักษาศีลแปดต่อไปเมื่อรักษาศีลแปดได้แล้วก็จะภาวนาได้จะมีเวลามาจเจริญสติอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังไม่ทำอะไรอย่างอื่นจเจริญสติเพียงอย่างเดียวควบคุมใจให้จดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียว เช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียวไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องรูปเสียงกลิ่นลดผลทพัชต่างๆให้อยู่กับอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นพุทโธพุทโธไปได้อยู่กับการกระทําการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไม่ว่าร่างกายกำลังทําอะไรอยู่ก็จดจอ่อเฝ้าดูอยู่กับ ก, บการกระทาของร่างกายเพียงอย่างเดียว ไม่ปล่อยให้ใจไปที่อื่นไม่ให้ไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ให้ไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อที่จะได้หยุดใจเพื่อที่จะได้ทำให้ใจสงบเป็นสมาธิเพื่อที่จะได้สัมผัสรถแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวก เมื่อได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้แล้วก็จะเกิดมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะปฏิบัติให้มากขึ้น mm hmm. ก็จะสามารถถอนสมอเรือได้สามารถละการหาลาบยศสรรเสริญละการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายได้แล้วจะได้ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มร้อย ตอนต้นก็เป็นมือสมัครเล่นไปก่อนไปปฏิบัติในวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดการทำงานพอได้ผลแล้วเห็นว่าลดแห่งธรรมนี้เหนือกว่าลถทั้งปวงก็จะบุ่งไปสู่ที่ลดแห่งธรรมเพียงอย่างเดียวก็ต้องทิ้งลดอย่างอื่นไปให้หมดลดของราบยศเสรเสรลดของรูปเสียงกิน่นลดผลถภา ก็จะทิ้งไปหมดแล้วจะได้ไปหารถแห่งธรรมได้อย่างเต็มที่ได้อย่างตลอดเวลาก็จะไปเป็นนักบวชกันไปถือศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่บเจดกันแล้วก็จ ะ, จะเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเวลานาที่ไม่ต้องทำงานทำภารกิจอะไรก็นั่งสมาธิไปหรือเดินจงกรมไปสลับกันไป ทำไปจนกว่าจิตจะโอนเป็นสมาธิแล้วก็ทำให้ชำนาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการเมื่อมีความชำนาญแล้วหลังจากออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญปัญญาให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาราบยศรัสะะเสริรูปเสียงกลิ่นรสผล พ, พะร่างกายเวทนา อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจรวนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ควรจะยึดไม่ควรจะติดควรจะปล่อยวางควรจะปล่อยให้เขาเกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาอย่าไปยึดไปถือว่าเป็นของเราเพราะเวลาเขาไม่เป็นของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นของเราเวลาเขาไม่เป็นของเราเราก็จะไม่รู้สึก เราก็จะไม่ทุกแต่อย่างใดเวลาของที่เขาไม่เที่ยงเขาแสดงความไม่เที่ยงออกมาก็จะไม่ทำให้เราทุกข์ใจเช่นเวลาร่างกายแสดงความไม่เที่ยงแสดงความตายให้ปรากฏขึ้นมาใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายเพราะเราเห็นแล้วว่าร่างกายไม่เที่ยงเราก็เลยไม่ยึดไม่ติดกับความไม่เที่ยง กความเที่ยงของร่างกายเพราะรู้ว่ายึดไม่ได้ยืดให้ร่างกายเที่ยงไม่ได้ทำให้ร่างกายเที่ยงไม่ได้ร่างกายถึงเวลาก็จะต้องตายไปร่างกายถึงเวลาก็ต้องเจ็บคหารเจ็บ ก, ก็คือทุกขเวทนานี่ก็ต้องเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาก็จะห้ามเขาไม่ให้เกิดก็ไม่ได้จะสั่งให้เขาดับไปก็สั่งไม่ได้ ถ้าไม่มีความอยากให้เขาดับเริ่มมีความอยากไม่ให้เขาเกิดก็จะไม่มีความทุกข์ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญานี้เองการจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ก็ต้องยุติการปฏิบัติทางด้านอื่นยุติการหาลาบยศสารเสริญ ยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลินกล้นกายเพื่อที่จะได้มีเวลามาบําเพ็ญมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่นั่นเองแล้วถ้าได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วมรรคผลนิพพานต่างๆการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดขั้นของพระอารหันต์ ่านของการหลุดพ้นอย่างหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงเข้าถึงพระนิพพานได้พระนิพพานก็เกิดที่ไม่มีความทุกข์นั่นเองที่มีแต่บรลมะมสุปรมังสุขขังเพียงอย่างเดียวไปตลอดอนันตการอันนี้เกิดจากการที่เรายังเชื่อว่าเรายังมีพระศาสดาอยู่เป็นผู้คอยสั่งคอยสอนเราอยู่ ก็คือธรรมวินัยที่ตถาคตได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปาสจากศาสดาแต่อย่างใดพวกเรายังอยู่กับพระพุทธเจ้ายังมีพระพุทธเจ้าคอยสั่งคอยสอนพวกเราอยู่มีพระอานันตสาวกคอยช่วยพระพุทธเจ้าคอยสั่งคอยสอนคอยเตือนให้พวกเรามาปฏิบัติกันให้พวกเราละ ลาบยศสรรเสริญลาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันให้พวกเราถอนสมอใจกันเพื่อใจจะได้ออกเดินทางไปสู่พระนิพพานกันตอนนี้ใจเราไปนิพพานไม่ได้เพราะใจเรายัางไม่ได้ถอนสมอยังติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมะนี่ดังนั้นถ้าอยากจะไปก็ต้องเชื่อฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า น้อมเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างจริงจังเริ่มต้นที่วันหยุดก่อนวันเสาร์อาทิตย์อย่าไปทำอะไรมาทำศีลสมาธิปัญญากันถ้าทำจริงจริงจังๆสองวันนี้ก็จะได้ผลอย่างน้อยก็จะได้สัมผัสกับหนังตัวอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นความสงบเพียงเดียวมันก็จะทาให้เกิดมีฉันทวิริยะจิตตวิมังสา ที่เป็นธรรมที่จะผลักดันให้ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยได้ดังนั้นขอให้เราลำลึกเสมอว่าเรายังมีพระศาสดาอยู่มีพระพุทธเจ้าคอยส่งใครสอนเราอยู่มีพระอรหันตสาวกคอยช่วยคอยเตือนพวกเราอยู่ขอให้พวกเราทำหน้าที่ของเราเถิดพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่ของท่านแล้ว พระอรหันตสาวกท่านทําหน้าที่ของท่านแล้วเราต้องทําหน้าที่ของเร า, า, เร า, า, เรามรรคผลนิพพานต่างๆถึงจะเกิดขึ้นมาได้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทําหน้าที่มรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าพาระอรหันตสาวกท่านไม่ทําหน้าที่มาสั่งมาสอนพวกเราถึงแม้พวกเราปฏิบัติไปกันอย่างเต็มที่ก็จะไม่มีวันได้มรรคผลนิพพานอยู่ดี ว่าเราจะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนี้ท่านทำหน้าที่แล้วเราทำหน้าที่ของเราเลยอยังถ้าเราไม่ทำหน้าที่เราก็ยังจะไม่ได้มรรคผลนิพพานอยู่ดีดังนั้นขอให้เราทำหน้าที่ของเราเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านได้ทำหน้าที่ของท่านเราอย่าผิดเป็นเหมือนกับว่าอย่าอย่าผิดสัญญากัน เมื่อเราทำสัญญากันแล้วทุกฝ่ายก็ต้องทำตามสัญญาพระพุทธเจ้าพระนันตสาวกท่านมีหน้าที่สั่งสอนพวกเราท่านก็สั่งสอนแล้วพวกเรามีหน้าที่ศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนแล้วประโยชน์อันสูงสุดคือการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่าตายเกิดย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำหน้าที่ของตนแล้ว ประโยชน์อันสูงสุดนี้จะไม่เกิดขึ้นมาได้เลยตอนนี้พระพุทธเจ้าพระอนันตสาวกท่านทําหน้าที่ของท่านแล้วท่านอบรมสั่งสอนพวกเรากันอย่างเต็มที่แล้วอยู่ที่ว่าพวกเราจะปฏิบัติกันอย่างเต็มที่หรือไม่เท่านั้นถ้าปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็จะได้ดุดพ้นอย่างแน่นอนถ้าไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันจึงขอให้ท่านจงนําเอา คำสอนคำสั่งก่อนที่จะสรงจากพวกเราไปว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ป่าสจากศาสดาแต่อย่างใดถึงแต่ว่าพวกเธอต้องทําหน้าที่ของพวกเธอให้ถึงพร้อมเท่านั้นพวกเธอถึงจะได้รับประโยชน์สุดอันสูงสุดจากพระพุทธศาสนานี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอนยาถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกบปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสเมจตต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทนาสีฤทษานิจังวุทธาปจายโนจัตตาโรโอธรร ม, มวาัทานติอายุวโนโสุขังพาลาังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถาม ก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาดังนั้นถ้าใครอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้ายังไม่มีก็จะให้พิธีกรเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อนคำถามจากทางบ้านจากคุณสว่างมีคนทักเราด้วยความบังเอิญว่า อีกไม่นานเราจะโดนฟันดาบอีกหน่อยกระทั่งน้ำก็จะกินลำบากและให้ทูบเรามาจุดตอนกลางคืนถ้าเราขนลุกแสดงว่าเจ้ากรรมในเวรไม่มีอะไรกับเราแล้วยอมรับว่าตอนฟังใจคอไม่ดีนิดหน่อยแต่ก็คิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิดกรรมที่ทำมาเราหนีมันไม่ได้เลยไม่ได้จุดทูบตามที่เขาบอกเพราะคิดว่าปัจจุบันเราก็ทำทาน ศีลภาวนาแม้จะเป็นมือใหม่ก็ตามคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัติแบบนี้ที่เราคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อกดแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาฉั้นไม่มีอะไรที่จะต้องหวั่นไหวไม่ต้องกลัวกลัวก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริง ถ้าถึงเวลากรรมจะแสดงมันก็ต้องแสดงไปถึงเวลาจะตายมันก็ต้องตายไปดังนั้นเราไม่ต้องไปทาพิธีกรรมบ้าบอคอแตกทักอะไรทีก็ไปทำกันทีวุ่นวายไปหมดเดี๋ยว ก, ก็ทักว่าชื่อนี้ไม่ดีก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อกันเอว่าทักว่าทรงผมนี่ไม่ดีก็ต้องไปเปลี่ยนทรงผมกันบ้ากันไปหมดนะครับความจริงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรความจริงก็คือดีชั่วอยู่ที่กรรมของเรานี่แหละ เราทำดีแล้วก็ดีเราทำชั่วเราก็ชั่วแต่เวลาชีวิตเราตกต่ำก็เพราะมันเป็นวิบากกรรมของเราถึงเวลาเราเจริญก็เป็นผลบุญของเราแต่เวลาตายก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายมันไม่ได้เกี่ยวกับ่ใครทั้งนั้นแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้อยู่ดีไปจุดธูปมันก็ไม่ได้ไปทาให้ไม่ป่วยหายป่วยได้หไหน ตุดทุก็หายตายด้านทุก็าขายดียิ่งกว่าหมอ <c oughs> <c oughs> คำถามเจ้าคุณโสพิตาหนูมีปัญหาว่าแม่มักจะทำงานบ้านเองเกือบทุกอย่างพอหนูช่วยล้างจานแม่จะบอกว่าหนูทำให้ยุ่งกว่าเดิมบ้างมือแม่เลอะแล้วบ้างทั้งที่หนูทำได้จริงๆหนูอายุสามสิบกว่าแล้วคะ่ะ คือแม่คิดว่าหนูทำงานนอกบ้านเหนื่อยแล้วอยากไม่ให้ทำงานกลายเป็นว่าหนูดื้อกับแม่ทุกวันนี้หนูเลยนั่งเฉยเฉยปล่อยให้แม่ล้างจานเพราะพอช่วยทำจะโดนดุหนูควรทำอย่างไรดีคะเราก็ต้องร้างก่อนที่แม่เขาจะมาล้างสิทาเป็นทำเป็นเฉยชาพอแม่พอแม่จะล้างก็เลยมาช่วยแม่เขาก็เลยเ แม่เขาก็เลยก็ว่าอย่ามาช่วยดีกว่าถ้าช่วยแบบนี้อย่ามาช่วยดีกว่า <laughs> ถ้ามาช่วยมันต้องเร็วกว่าแม่เห็นไหมแ ม, แม่แม่ยังนั่งอยู่ก็รีบไปล้างก่อนแล้วอ ย, อย่างเนี้ยถึงจะถูกมาทําแบบเฉยชาแบบว่าไม่อยากจะทํำมาก <laughs> ก็เห็นแล้วเขาก็เบื่อไม่ใช่แล้ว <laughs> ล้างเองดีกว่าสบายใจกว่าคําถามจากผู้ฝากถามลูกศิษย์ที่ครูอาจารย์ไม่สนใจไม่ไต่าถาม จะมีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมเหมือนลูกศิษย์ที่ครูอาจารย์สนใจไต่ถามไหมคะมันแล้วแต่เหตุผลของการไต่ถามท่านมีเหตุมีผลของท่านนั่นมันไม่ได้เกี่ยวว่าไต่ถามหรือไม่ไต่ถามบางคนบางคนเก่งแล้วไม่ต้องไต่ถามคนที่ไม่เก่งก็ต้องถามคอยเตือนอยู่เรื่อยๆดังนั้นคนที่ไม่ได้ถูกไต่ถามน่าจะเก่งกว่าคนที่ต้องถูกไต่ถามอยู่เรื่อยๆ คำถามจากคุณเก๋ไกเมื่อวันออกพรรษาปีที่แล้วขณะที่จะทำวัดเช้าอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่นี่เริ่ม9ก้าโมงเช้าในท้องของหนูมีแสงสว่างเย็นๆแล้วกระพริบด้วยค่ะรู้สึกว่าตรงนั้นมันดึงความสนใจเราไม่อยากสวดมนต์หนูไปดูตรงนั้นมันก็ยังเป็นอยู่แบบนั้นจนบ่ายแล้วก็หายไปเกิดแบบนี้ตอนไม่ได้นั่งสมาธิ บางครั้งทานข้าวอยู่หันมานั่งสมาธิไปดูตรงนั้นความเย็นเย็นและแสงสว่างมันหายไปค่ะมันเป็นจิต ท, ที่หลอกใช่ไหมคะแล้วจะทำยังไงต่อไปคะก็อย่าไปสนใจมันให้มีสติอยู่กับพุทธโธไปให้มีสติอยู่กับการทำงานของเราไปเวลาเรารับประทานอาหารก็มีสติอยู่การรับประทานอาหารส่วนอะไรจะมาปรากฏให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งอยากทราบว่ากาแฟให้โทษอะไรครับพระอาจารย์ถึงให้โนดครับมันไม่เป็นโทษแต่มันติดใจเราไปติดมันพอกินแล้วเวลาไม่ได้กินมันจะงดหงิดจะไม่สบายใจที่แสดงนี้แสดงให้เห็นว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากการไปติดสิ่งต่างๆเช่นกาแฟไม่ใช่แต่กาแฟเกมมันก็ติด ติดเกมแล้วพอไม่ได้เล่นเกมมันก็หงดหงิดผู้หญิงท้าไม่ได้ติดผู้หญิงถ้าติดผู้หญิงพอไม่ได้เจอผู้หญิงก็หงดหงิดถ้าติดผู้ชายพอไม่ได้เจอผู้ชายมันก็หงดหงิดมันหงดหงิดไปหมดนะถึงบอกให้ว่าถ้าอยากไม่อยากจะห ง, งุดหงิดก็อย่าไปติดอะไรให้ติดกับความว่างดีที่สุดเพราะความว่างนี่มันจะไม่ทําให้เราหงดหงิดนก็ที่สอง มดขวางทางเข้าออกรถเวลาจะไปทำงานและเลิกงานพยายามเลี่ยงแต่เหยียบจนได้ครับเอาแป้งโรยมดก็ไม่หนีจะแก้แบบใดครับก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ก็ยกล้อขึ้นเสียเวลาเวลาจะข้ามมันเจอมันก็ยกล้อข้ามมันไปเรียกคนมาช่วยกันยก คำถามจากผู้ฝากถามญาติพี่น้องหรือเพื่อนเราทําให้เราต้องทุกข์ใจร้อนใจอยู่ตลอดเขาใช่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราหรือเปล่าคะเขาทุกข์ใจร้อนใจมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราไม่ใช่เลยถ้าเขามาเบียดเบียนเราเขามีมีเรื่องกับเราถึงจะถือว่ามีเวรมีกรรมกันถ้าเขาทุกข์ใจร้อนใจมันก็เป็นเรื่องของบาปกรรมที่เขาทําทําให้เขาทุกข์ใจร้อนใจขึ้นมา แล้วถ้าเราเอาโหสิกรรมให้เขาเวลาเราไปทำบุญต่างๆแล้วเราส่งบุญและอุทิศบุญให้เขาเขาจะได้รับบุญที่เราส่งให้หรืออุทิศให้ไหมคะถ้าคนตายใช้คำอุทิศแล้วคนเป็นใช้คำส่งบุญถูกไหมคะคนเป็นให้อุทิศให้ไม่ได้บุญคนเป็นถ้าเรามีปัญหากับเขาเราก็ไปเคลียร์เขาเลไปคุยกันว่าเขาโกรธเกียดเราเพราะอะไร เราอยากจะได้อะไรจากเราเพื่อจะได้หายโกรธหายเกลียดถ้าเขาเราไปชนรถเขาพังนี้เขาก็ต้องม า, าเรียกร้องค่าเสียหายถ้าเราชดใช้ค่าเสียหายให้เขาไปเขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเราดัางนั้นก็สําหรับคนที่อยู่มีเวรมีกรรมกันก็ต้องไปเจราจากันเพื่อที่จะได้ยุติจะได้มีสันติภาพเกิดขึ้น ถ้าไม่คุยกันไม่ถามถ่ายกันว่าขาดแคนอะไรเดือดร้อนอะไระเสียหายตรงไหนก็จะไม่รู้เรื่องอะฉะนั้นต้องไปคุยกันถ้าอยากจะให้เวรกรรมนั ง, งับก็ต้องไปทำให้เขาพอใจอชดใช้ค่าเสียหายต่างๆที่เราทำเขาพอเราชดใช้ได้อย่างเต็มที่เขาก็จะพอใจเขาก็จะเลิกจองเวรจองกรรมเราไปเอง หมดแล้วเนะี่ยมีใครอยากจะถามไหมแถวนี้ถามได้นะเดี๋ยวแ้กแเราอย่าถามน ะ, ะครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ไลฟ์นะครับคำถามแรกจะคุณอุจังนะครับ หนูเริ่มปฏิบัติธรรมได้ประมาณหนึ่งปีแล้วเพื่อนๆรอบข้างหนูบอกว่าหนูเปลี่ยนไปมากให้หนูยืดทางสายกลางหน่อยเราเป็นคาวาดไม่ใช่พระไม่ใช่ชีสิ่งที่หนูทาคือจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันถือศีลแปดวันพระวันพระบางครั้งก็นอนวัดรับศีลบ้างเสาร์อาทิตย์ไปวัดไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่า คำว่าทางสายกลางนี้คืออะไรต้องประมาณไหนถึงจะถือว่าปฏิบัติตามทางสายกลางส่วนตัวหนูยังคิดว่าหนูยังปฏิบัติได้น้อยอยู่และอยากขอกำลังใจจากพระอาจารย์ในการปฏิบัติธรรมด้วยค่ะเพราะตอนนี้โดนเพื่อนและคนใกล้ตัวว่าเปลี่ยนไปเยอะให้ถอยออกมาบ้างเราถือใครเป็นศาสดารเราถือเพื่อนถือพระพุทธเจ้า ถ้าเราถือพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาเราก็ฟังพระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแล้วเปรียบเทียบการปฏิบัติของเรากับการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสายกลางหรือยังพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นเรียกว่าทางสายกลางเราปฏิบัติยังไม่ได้ถึงเซี่ยวหนึ่งของท่านแล้วเราจะบอกว่ามากเกินไปแล้วได้อย่างไรก็เพราะเราไปพูดกับคนหูหนวกตาบอดไปฟังคนหูหนวกตาบอดพูดนั่นเอง งั้นอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาให้เสียเวลาเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ให้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคู่สั่งผู้สอนเราเท่านั้นก็พอเสียงคนอื่นอย่าไปสนใจถ้าไปฟังคนอื่นก็ต้องไปติดอยู่กับเขาเขา ทางสายกลางของเขาก็คือต้องกินข้าวเย็นต้องดูหนังฟังเพลงก่อนนอนก็นั่งสมาธิสักห้านาทีอย่างนี้ก็เรียกว่าทางสายกลางของเขาถ้าสายกลางแบบนี้ก็ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าสายกลางแบบพระพุทธเจ้าท่านนั้นถึงจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดงนั้นขอให้เราดูมาตรฐานของพระพุทธเจ้าของขอ ง, ของพระอรันตาสาวก อันนั้นแหละเป็นทางสายกลางที่แท้จริงคำถามจากคุณจักกิจนะครับการภาวนาดูกายรู้เพียงแต่ละส่วนของกายทำงานแต่ยังไม่เห็นเกิดดับแบบนี้ยังไม่เรียกว่าเกิดปัญญาใช่หรือไม่ร่างกายมันเห็นชัดจะตายไปคนตายเนี่นเห็นกันอยู่ทุกวั น, เ, นเกิดดับ เ, เกิดก็เห็นกันอยู่ทุกวันโรงพยาบาลเต็มไปหมด ที่บ้านคนไหนเดี๋ยวเขาแต่งงานกันไม่กี่เดือนเขาก็ตั้งท้องกันมาแล้วเดี๋ยวก็เกิดแล้วเดี๋ยวคนแก่ก็ตายกันคนเจ็บ่ายได้ป่วยก็ตายกันอันนี้ต่างหากให้เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปเห็นอะไรในร่างกายเกิดดับอะไรมันจะเกิดดับในร่างกายมันไม่สำคัญขอให้มันเห็นตัวร่างกายนี้มันดับมันจะต้องดับเกิดมาแล้วมันไม่มีร่างกายไหนมันไม่ดับบ้างให้ดูอย่างนั้น ก็จะได้ปงจะได้วางไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายโดยเฉพาะของเราเองที่ทุกกันที่กลัวกันทุกวันนี้ก็กลัวความตายกันก็เพราะมองไม่เห็นไม่ยอมมองว่าร่างกายจะต้องตายกันถ้าเห็นว่าร่างกายต้องตายมันจะไปกลัวอะไรกลัวก็กลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายสู่วไม่กลัวไม่ดีกว่าคำถามจากคุณโมนีนะครับ เรียนถามพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางการทำงานในชีวิตประจำวันที่ต้องพบปะผู้คนมากมายประเภทมากคนก็มากความแต่ด้วยภา ร, ระที่ยังต้องทำทั้งทั้งที่ไม่ชอบทำงานประเภทต้องพบปะผู้คนมากๆชอบทำงานแบบเงียบๆสงบๆแต่มันเลือกไม่ได้ทุกวันนี้เหมือนต้องอยู่ในภาวะต้องทำต้องสวมหัวขนต้องใส่หน้ากาก ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางด้วยค่ะก็ให้คิดว่ากำลังสวมหัวโข น, ขนกำลังใส่หน้ากากอย่าไปเอาจริงเอาจริงกับมันเหมือนเล่นละครเล่นไปตามบทของเราตามหน้าที่ของเราเดี๋ยวถึงเวลาก็ถอดหัวโขนออกกลับบ้านก็กลายเป็นคนธรรมดาไปคำถามจากคุณอังคณนานครับจะขอเรียนถามพระอาจารย์ในการเจริญเมตตา มีแนวทางอย่างไรบ้างเจ้าคะจะได้นำไปปฏิบัติต่อไปเวลาเจอใครก็ยิ้มให้เขาถามเขาสบายดีหลือมีขนมก็แบ่งให้เขากินเวลาเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาเวลาเขาด่าเราก็สาธุเขาอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขานี่เรียกว่าเมตตาคำถามจะคุณพัชรี เวลาที่เราพบเห็นเหตุการณ์หรือคนที่เขากำลังลาบากแล้วจิตเราคิดสงสารอยากช่วยเขาถือว่าเรายังมีความอยากอยู่ใช่ไหมเจ้าคะแล้วเราควรทําอย่างไรเจ้าคะคือการช่วยเหลือกันนี้จะช่วยด้วยความอยากก็ได้หรือช่วยด้วยความไม่อยากก็ได้ถ้าช่วยด้วยความอยากแล้วช่วยไม่ได้ก็จะทุกข์ได้แต่ถ้าช่วยเพราะเห็นว่าเขาเดือดร้อน mm hmm. เห็นด้วยเหตุด้วยผล แล้วเรามีความสามารถจะช่วยได้เราก็ช่วยไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ช่วยด้วยความอยากช่วยเพราะเห็นว่ามันเป็นหน้าที่เป็นเวลาที่ต้องช่วยกันแต่ถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ช่วยด้วยความอยากช่วยคำถามจากคุณก้อยนะครับวิธีแก้ความหลงเข้าไปคิดทำอย่างไรบ้างเพราะลองบริกรรมพุทโธก็ไม่หายเจ้าค่ะ ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะความหลงมันมีอยู่สามข้อเท่านนะคือหลงในในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหลงในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราก็ให้มามองว่ามันของทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงมีมีเกิดมีดับมันไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิม แล้วก็มันจะให้ความทุกข์กับเราเวลาที่มันเปลี่ยนไปเช่นแฟนเวลารักกันใหม่ๆก็สุขดีพอแฟนเปลี่ยนไปไม่รักไม่รักกันเสียแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่ให้เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆให้เห็นว่าเวลาที่แฟนเขาจากเราไปหรือเขาไปมีแฟนใหม่เขาทิ้งเราเขาไม่ได้เป็นแฟนของเราแล้วเวลานั้นเขาก็ไม่ได้เป็นของเราแล้ว เวลานั้นก็เป็นเวลาที่เราทุกข์กันเพราะเรายังอยากให้เขาเป็นของเราอยู่เฉนั้นให้มองสามสามอย่างนี้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขมันไม่ได้เป็นของเราเพราะมันกับเราจะต้องมีการพัดพากจากกันไปในที่สุดคำถามจากคุณแทมนะครับสอบถามในเรื่องของโลภะ ฝึกปฏิบัติบ่อยครั้งแต่หลังจากออกจากการปฏิบัติได้มีคำถามกับตัวเองในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบสามัญชนปกติมันก็เกิดความอยากความโลภที่ต้องการมีความอยากให้การงานดีขึ้นต้องการทำงานเพื่อให้มีเงินเพิ่มขึ้นในแต่ในหัวก็คิดว่าได้ว่าเอาแค่พอดีของเรา เข้าใจในความต้องการที่เรามีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะทำอย่างไรให้มันสมดุลกับชีวิตได้คะเพราะเรายังใช้ชีวิตเป็นสามัญชนคนธรรมดาเราแค่ฝึกได้เฉพาะปฏิบัติแล้วมันถือว่าเป็นโลภะไหมคะลบกวนชี้แนะด้วยคะ่ะก็การมีโลภะก็คือมีมากกว่าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมี สิ่งที่เราจําเป็นต้องมีจริงๆก็มีแค่ปัจจัยสี่นี้เท่านั้นเองมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหอ่อถ้าเรามีครบแล้วก็ถือว่าอพอแล้วพอดีแล้วถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็เรียกว่าโลภแล้วคําถามจะคุณประมวลนะครับอยากถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิจิตสงบ จิตอยู่กับที่ไม่รู้จะไปอย่างไรต่อเขาบอกให้พิจารณาร่างกายทำไม่ได้ค่ะก็เวลานั้นมันจะไปทำอะไรได้นั่งก็เพื่อให้มันนิ่งเมื่มันนิ่งแล้วจะไปทำอะไรได้ก็ต้องการให้มันนิ่งนั่งสมาธิก็เพื่อให้มันน่ให้มันนิ่งเนเวลามันนิ่งแล้วก็ปล่อยมันนิ่งไปอย่าไปให้มันทำอะไรให้มันได้พักผ่อนเหมือนกับร่างกายเนี่ย ก่อนที่เราจะไปทำงานเราก็ต้องพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารก่อนถ้าไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้รับประทานอาหารไปทำงานก็ไม่มีกําลังที่จะทำจิตใจก็เหมือนร่างกายจิตใจก็ต้องพักผ่อนก่อนถึงจะออกไปทำงานได้งานของจิตใจก็คือวิปัสสนาพิจารณาปัญญาที่ถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีกาลังก็พิจารณาไม่ได้ นั้นจิตต้องพักผ่อนหลับนอนในสมาธิก่อนรับประทานอาหารในสมาธิก่อนอยู่สมาธิให้นา น, านจิตจะได้อิ่มเ อ, อิบใจมีความสุขใจมีกําลังแล้วพอออกจากสมาธิมาแล้วค่อยไปพิจารณาทางปัญญาไปแก้ความหลงปัญญามีไว้เพื่อแก้ความหลงเทศพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพื่อเราจะได้เห็นความจริงตอนนี้เรามักจะไม่เห็นความจริง เรามักจะเห็นว่ามันเที่ยงมันสุขมันเป็นของเรานี่เราต้องมาพิจารณาให้มเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันเวลาที่มันจากเราไปเวลาที่มันเปลี่ยนไปอันนี้ต้องทําหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วขณะที่อยู่ในสมาธิขณะจิตนิ่งนี้พยายามประครับประคองความนิ่งให้ไปนา น, านๆเหมือนตอนนอนหลับเนี่ยอยากจะนอนนานๆไม่ใช่เลย นอนให้มันพอให้มันอิ่มให้มันเต็มที่พอมันนอนจนมันไม่อยากจะนอนแล้วเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาเองจิตก็เหมือนกันพอมันนิ่งแล้วก็ให้มันนิ่งของมันไปให้เต็มที่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนิ่งพอแล้วมันก็จะออกมาเองออกมาคิดมาทำคิดนู่นคิดนี่ตอนนั้นแหละเอามาทำงานต่อมันพร้อมที่จะทำงานแล้วแต่ตอนที่มันนิ่งมันยังไม่พร้อม เหมนกับเราชาร์จแบตเนี่ยตอนที่ชาร์จแบตนี้มันไม่พร้อมที่จะเอาไปทํางานเอาไปใช้งานรอให้มันชาร์จให้มันเต็มร้อยกันพอมันขึ้นร้อยเปซตปั๊บนี้เอาถอดปลั๊กออกแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยจะไปใช้ที่ไหนสถานที่ใดก็ไปได้อย่างสะดวกนี่คือเรื่องของสมาธิกับของปัญญามันเป็นคนละขั้นคนละตอนกันอย่าเอามาปนกัน ปฏิบัติกันกี่ครั้งกี่คนก็จะเอามาปนกันนั่งสมาธิปั๊บนิ่งปั๊บก็จะพิจารากันเนี่ถ้ามันถ้ามันอย่างนั้นก็ไม่ต้องให้มันนิ่งไม่ดีกว่าแล้วก็พิจารามันไปเลยที่มันพิจารณาไปเลยมันไม่ได้ผลเพราะไม่ไมีกำลังที่จะไปฆ่ากิเลสไปสู้กับกิเลสกิเลสมันจะไม่ชอบให้เราคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะชอบให้เราไปคิดถึงนิจจังสุขขังอัตตาอยู่เรื่อย เราจึงต้องสร้างกำลังของจิตให้มีกำลังสู้กับกำลังของกิเลส ท, ที่จะคอยดึงให้เราไปคิดถึงนิจจังสุขขังอนัตตาเพื่อเราจะได้มาคิดถึงว่านิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงแล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆ <S <S ยะ น, นต้องแยกสองการปฏิบัติสองขั้นนี้ให้ออกจากกันเวลาเรนั่งสมาธินี้ต้องการให้มันนิ่งมันนิ่งแล้วมันไม่ต้องไปไหนแล้วเต้องการให้มันหยุดไม่ต้องการให้มันไปไหนจะไปไหน นังสมาธิก็เพื่อให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันเป็นอุเบกขาให้มันมีความสุขพอมันหายนิ่งแล้วมันออกมาจากสมาธิมาเริ่มคิดแล้วตอนนั้นแหละเอาไปคิดทางอนิจจังทุกขังอนัตตากับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดแต่เรากลับไปเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตา ได้อะไรมาปั๊บเป็นนิจังสุขขังอัตตาทันทีเป็นของเราทันทีจะอยู่กับเราไปนานๆจะไม่จากเราไปจะให้ความสุขกับเราไปตลอดเนี่ยมันจะคิดอย่างนี้ซึงเป็นความคิดของความหลงถึงต้องใช้ปัญญามาแก้บสิ่งที่ได้มามันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนมันก็จะทำให้เราทุกข์นะ พอมันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์นะให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปจะได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรอยู่คนเดียวอยู่กับความว่างดีกว่าความว่างนี่แหละเป็นของที่ดีที่สุดความว่างนี่แหละเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเนี่ยนความว่างมันมีวันหมดนะมันมีตลอดเวลามันไม่เปลี่ยนแปลงมันว่างตลอดเวลาเช้าสายบ่ายเย็นมันก็ว่างมันไม่ได้เป็น มันเป็นของเรามันอยู่กับเราตลอดเวลาความว่างมันให้ความสุขกับเราถ้าใจเราไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆถ้าเรามีความอยากกับความว่างเพียงอย่างเดียวเราก็จะสุขไปตลอดนิพพานังปรมังสุญญ์อย่างใช่ไหมอาบอกอยู่กับความว่างคือปรมังสุขขังคำถามจ้าคุณโมยูนะครับวิธีละความโกรธอารมโมโหแบบ ขุนหันพันแล่นได้ดีที่สุดทําอย่างไรคะก็พุโทโธไปหรือเดินออกจากสถานที่ที่ทําทให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธอย่าไปอยู่ใกล้กับเรื่องหรือคนที่ทําให้เราโกรธไปเข้าห้องน้ําเสียแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าอยู่ห้องน้ํายังไปดึงเขาเข้ามาในห้องน้ําด้วยก็ <c oughs> ไล่เข้าใจพุโทโธไล่ไปอย่ตามเข้ามาฉันกําลังเข้าห้องน้ําอยู่คําถามจากคุณ โชติการนะครับคืออยากจะถามว่าลูกได้เดินขึ้นบนสะพานลอยโดยที่ไม่เห็นเลยว่ามีพระเดินอยู่ข้างล่างแบบนี้จะเป็นบาปหรือเปล่าค ะ, ะไม่บาปหรอกไม่บาปเป็นเรื่องปกติคนอยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างล่างคนอยู่ข้างบนก็อยู่ข้างบนไม่มีเจตนาที่จะไปทาไปลบหลู่งั้นคนนั่งเครื่องบินก็นั่งไม่ได้เดี๋ยข้ามวัดเดี๋ยวบินข้ามวัดพระแก้วขึน้นมาก็บาปกัน ไม่เกี่ยวกันนะคนละเรื่องกันแล้วก็การไม่เขา้ารบการลบหลูมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความบาปเป็นการไม่เหมาะสมเท่านั้นเองการที่เราไปลบหลูผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กับเรานี่มันไม่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรที่จะทำํำ ไ, ไม่ได้เป็นเหตุของความเจริญเป็นเหตุของความเสื่อมแต่มันก็ไม่บาปนะบาป ม, มันมีอยู่แค่ห้าข้อเนี้ยคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงดื่มสุรายาวเมาคำถามจะคุณพงศักดิ์ถ้าภรรยาขอแยกทางแล้วเราทำตามกรรมเก่าที่เคยมีต่อกันจะจบลงไหมครับสำหรับเราให้อโหสิกรรมเขาในใจมาตลอดครับเพราะเราคิดว่าเราเคยทำกับเขามาแบบนั้นถ้าเราไม่ถือโทษก่อนเกงเขามันก็ไม่มีเว้นกัน เวรย่อมละ ง, งับด้วยการไม่จองเวรเขาอยากจะทำอะไรแล้วเราเขาทำให้เราเสียใจแต่เราไม่ไปตอบโต้เราไม่ไปทำร้ายเขาเรื่องก็จะจบไปเขาเมื่อเราไม่ทำร้ายเขาเขาก็จะไม่กลับมาทำร้ายเราคำถามจากคุณจินนี่การถือศีลแปดถ้าหลังสระผมแล้วใช้ครีมนวดผมถือว่าผิดศีลไหมคะก็ไม่ควรนะเพราะว่า ควรจะแบบว่าอาบน้ำสระผมธรรมดาทําความสะอาดก็พอไม่ต้องไปนวดไปแต่งมันอย่าไปเสริมความงามต่างๆถ้าจะนวดด้วยด้วยการรักษาโรคภัยไข้เจ็บถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วต้องใช้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทําไปเพราะอยากจะรักษาผมให้มันสวยให้มันยาวให้มันนุ่มอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นกิเลสแล้วคำถามจากคุณเฟิร์ เขาเรียนถามว่าจะรักษาสัจจะได้อย่างไรทําอะไรก็ต้องทําพูดอะไรก็ต้องทําตามที่เราพูดเนี่ยถ้ามันไม่ทําตามก็ต้องลงโทษตัวเองเช่นวันนี้ไม่กินข้าวเย็นถ้าโกหกนี่ถ้ามันมีบทลงโทษต่อไปมันก็จะเข็ดมันก็จะรักษาสัจจะได้ถ้าไม่มีบทลงโทษเดี๋ยวมันก็โกหกไปเรื่อยๆหลอกตัวเองไปเรื่อยๆพูดจะทําอย่างนั้นจะทํานี้พอถึงเวลาก็ไม่ทํา ว่าไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามีบทลงโทษว่าจะทําอย่างนี้พอไม่ทําต้องอดต้องอดข้าวเย็นละหรืออดเที่ยวลวอดดูละครละต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาลงโทษมันก็จะทําให้เราเข็ดดาบแล้วก็จะได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทําได้คำถามข้อต่อไปจากคุณพรฐานานะครับ การภาวนาโดยท่องคำว่าตายตายตายตายไปเรื่อยๆถือว่าถูกต้องหรือไม่คะพระอาจารย์ก็ได้แทนพุทโธก็ใช้ได้เหมือนกันดีกว่าพุทโธด้วยซ้ำไปเพราะได้ปัญญาด้วยเป็นทั้งสมร t h เป็นทั้งวิปัสสนาต้องตายตายตายถ้าเราโลกจะตายนี่เรายังเราจะโลภรื้เปล่าอยากจะไปนู่นไปเที่ยวนั่นเที่ยวที่นี่เยอเปล่า ถ้าไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งเหนือสามเดือนนี่ยังอยากจะไปเที่ยวที่ไหนว่ะเพียงแต่เราไม่คิดถึงความตายกันนั่นสิก็เรายังอยากเที่ยวยังอยากได้นู่นอยากได้นี่กันเนั้นถ้าเราท่องความตายตายได้ทุกได้ได้ทานพุทโธได้ยิ่งดีใหญ่กูจะท่องไม่ได้เนี่ยกูจะกลัวกันเพราะคนบางคนเห็นคาว่าตายได้ยินคาว่าตายคาเดียวก็จะเป็นลมนะ แต่ถ้าเป็นเจริตของเราก็แสดงว่าจิตของเราแข็งดีแก่ก็สามารถรับความจริงได้ก็ใช้การบริกรรมตายตายไปก็ได้เหมือนกับพุทธเจ้าสอนว่าเกิดมาแล้วเราต้องตายเป็นธรรมดาเนี่ยก็เหมือนกันให้เราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยเกิดมาแล้วเราต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายเป็นไม่ได้ คิดอยู่บ่อยๆแล้วมันจะกำจัดความโลภกดหลงไปได้อย่างมหัศจรรย์เลยเพราะเรู้จะถ้าเราจะรู้ว่าเราจะต้องตายวันนี้เรายังอยากจะไปได้อยากจะได้อะไรอีกไหมเราไม่รู้ว่าเราจะตายกันสิถ้าเรารู้แล้วเราไม่อยากจะได้อะไรแล้วอยากจะเข้าวัดเนี่ยคนที่เข้าวัดส่วนหนึ่งก็พอรู้ว่าจะต้องตายกันไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่ได้ เรารักษาได้แต่อาจจะไม่หายที้นี้ก็ไม่มีกระติกระใจที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทําอะไรแล้วอยากจะรักษาใจมากกว่าแล้วเพราะตอนนั้นใจเครียดมากอยากจะให้ใจสงบให้เป็นปกติเหมือนตอนที่ยังไม่ได้เจ็บ่ายได้ป่วยเฉนั้นถ้าใช้คําว่าตายเป็นคําบริกรรมได้ก็ดีคําถามอ่าจาก คุณลอยนะครับน้องชายกำลังพบวิบากกรรมภรรยาขอแยกทางและต้องจากลูกตอนนี้ไม่มีงานทําเขาเลยซึมเศร้ากลัวอนาคตชีวิตไร้ทิศทางพระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรครับไปบวชเลยเนี่ยอโอกาสดันดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใ ห, ให้เพ็กวิกฤจเป็นโอกาสเนี่ยเ <laughs> มื่อก่อนอยากจะบวชก็ไปไม่ได้เพราะติดเมียติดลูก ตอนนี้เมียก็ทิ้งลูกก็ทิ้งงานก็ไม่มีทำไม่มีอะไรติดแล้วอิสระไปบวชเลยคำถามจากคนปิดทองหลังพระนะครับถ้าเราเจ็บป่วยเราจะมีวิธีคิดอย่างไรให้ไม่ทุกข์ครับจาคิดว่าเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาลงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ถ้ายอมรับความจริงนี้ก็จะไม่ทุกข์ ที่บรรทุกเพราะไม่ยอมไม่ยอมรับความจริงไม่อยากป่วยอยากจะให้หายพอมันไม่หายก็ทุกข์ขึ้นมาพอมันป่วยก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าสอนใจอยู่เรื่อยเหมือนกับสอนตายเหมือนสอนเมื่อกี้ว่าตายตายตา ย, ตายก็เพิ่มอีกข้อหนึ่งเกิดมาแล้วต้องเจ็บคไายได้ป่วยเกิดมาแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาอพ อ, อาท่องจําท่องหนีไปเรื่อยๆพอป่วยก็จะไม่ทุกข์พอตายก็จะไม่ทุกข์ คำถามข้อต่อไปจากคุณชานะครับผมมีอาการปวดท้องอยู่ตลอดเป็นโรคประจำตัวตอนนี้ตอนที่นั่งสมาธิก็ยังปวดจิตไม่สงบควรจะปฏิบัติอย่างไรดีเพื่อจะให้จิตสงบได้ครับก็ไปหาหมอซิปวดท้องก็ไปรักษาให้มันหายก่อนหายแล้วค่อยมานั่งหรือว่าถ้าเรามีจิตแข็งเราก็อย่าไปสนใจกับความปวดท้อง ให้นั่งไปดูลมไปหรือท่องบริกรรมพุโทโธไปถ้าจิตเราจดจ่ออยู่กับพุโทโธได้หรือจดจ่ออยู่กับลมได้อาการปวดท้องก็จะไม่มารบกวนเราพอจิตสงบแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความปวดท้องและดีไม่ดีความปวดท้องอาจจะหายไปก็ได้เพราะโรคบางอย่างมันเกิดจากความเครียดของเรามากกว่าเกิดจากอะไรพอจิตสงบหายเครียดโรคที่เกิดจากความเครียดมันก็หายตามไปได้นะ คำถามจากคุณสมมาตรนะครับอยากขอให้พระอาจารย์แนะอุบายจเจริญสติเวลาเราเจ็บป่วยหน่อยครับทำอย่างไรจึงจะปล่อยวางไม่คิดถึงโรคภัยความเจ็บไข้ที่มีแล้วเข้าสมาธิได้ก็นั่นแหละต้องฝึกก่อนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับขึ้นเวทีชกมวยแนละ้วถ้ายังไม่ฝึกซ้อมโช ก, ก่อนขึ้นไปก็โดนคนนอกเท่านั้นแหละ เพะถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็รีบเจริญสติเสียแต่บัดนี้เช่นให้เราเลิอกอยู่เสมอว่าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นการเจริญสติและปัญญาควบคู่กันไปหรือทําไม่เช่นนั้นเราจะใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไป ถ้าเราบริกรรมเป็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็พุโทโธพุทโธไปจิตก็จะสงบได้ก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไายได้ป่วยหรือถ้าเราใช้ปัญญาได้ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติหีกเลี่ยงไม่ได้มันจะป่วยก็ป่อยมันป่วยไปอันนี้ก็จะไม่ทุกข์กับมันได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เลือกเอาจะเอาทางไหนก็ได้แต่ต้องทําก่อนที่มันจะเกิดถ้ามันมาทําตอนที่เกิดเหมือนกับเด็กที่ไม่ดูหนังสือพอ จะเข้าห้องสอบมาดูตอนคืนนี้มันจะเป็นไม่ทันหรอกหรือเอาหนังสือเข้าไปห้องสอบก็ไปไม่ได้ดงั้นต้องเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าเรารู้เราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทําไมเราไม่เตรียมตัวทําการบ้านไว้เสียก่อนเพราะนี่คือข้อสอบของพวกเราพระเจ้าเนี่ยแสดงข้อสอบให้เราเลยบอกว่าเนี่ยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันนะนี่คือข้อสอบของพวกเธอนะเธอต้องทําให้ผ่านให้ได้นะ คือเธอจะต้องไม่ต้องทุกข์กับมันนะวิธีไม่ทุกข์กับมันก็คือเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยแล้วก็ปล่อยวางเสียปล่อยวางความแก่ปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความตายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เกิดการพัดพาคจากกันก็จะไม่ทุกข์กับมันคำถามจากคุณหนูแดงนะครับถ้าใจเราไม่รู้จักคำว่าให้อภัยผูก ใจเจ็บอาฆาตเราต้องทำอย่างไรคะถึงจะหลุดพ้นจากความทรมานตรงนี้ได้ขั้นตอนก็อย่าไปคิดถึงเรื่องราวที่ทำให้เราอาฆาตพยาบาทใช้พุทโธพุทโธไปดึงใจออกมาจากความคิดที่ทำให้เราเกิดความอาฆาตพยาบาทก็ออย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงบุคคลที่ทำให้เราโกรธให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไป แล้วเราก็จะเริืมเรื่องของความโกรธได้แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะให้อภัยได้อยู่ดีเพราะเวลาเราคิดถึงเรื่องนั้นทีไรก็จะโกรธขึ้นมาทุกทีแต่ขั้นต้นก็ให้ทําอย่างนี้ไปก่อนแล้วขั้นต่อไปเราจะได้เห็นโทษของความโกรธว่าเวลาโกรธแล้วใครทุกข์คนที่ทุกข์แล้วโกรธก็ไม่ได้ทุกข์เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวไอคนที่ทุกข์ก็คือเราเนี่แหละ เั็นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขาพอเราให้อภัยเขาแล้วเทีนี้เราก็จะหายโกรธคิดถึงเขาที่ไรก็จะไม่โกรธคําถามอีกสองข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับจากคุณนันทพัฒนะครับภาวนาแล้วค่อยให้ทานทานแล้วไปภาวนาอันไหนดีกว่ากันครับมันก็ต้องทําไปพร้อมๆกันคือทูตามหลักของการปฏิบัติมันต้องทําทานก่อนถึงจะภาวนาได้ ถ้ายัางทําทานไม่ได้ก็จะไม่มีเวลามาภาวนาเพราะจะมีเวลาเพราะจะเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของต่างๆไปซื้อความสุขทางต า, งตางหูจมูกลิ้นกายพอเงินหมดก็จะไปหาเงินหาทองมันก็จะไม่มีเวลามาภาวนาที่คุณพูดว่าทําภาวนาแล้วมาทําทานคนหมายถึงทํานิดหน่อยมั้งสักสิ บ, บาทยี่สิบบาทนี้ถ้าทําแบบนี้อย่าไปทําให้มันเสียเวลาที่ให้ทํานี่คือให้เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี่มาทํา ฉันจะไปเมืองนอกหมดสักกี่หมื่นกี่แสนเอาเงินนั้นหละไปทำไปทาทานจะได้มีเวลาไปนั่งสมาธิไปภาวนาได้นี่คือเรื่องของการทาทานที่แท้จริงต้องทำแบบนี้ อ, อีกข้อหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายนะครับจะคุณนันทนานะครับขณะที่นั่งสมาธิทำไมเหมือนมีม่านน้ำสีเท า, เทา ผ่านไปผ่านมาจากซ้ายไปขวาบ้างจากขวาไปซ้ายบ้างครับก็มันเป็นเรื่องปกติของจิตใจของแต่ละคนมักจะมีอะไรมาปรากฏให้รู้ให้เห็นก็อย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วพอใจสงบของพวกนี้มันก็จะหายไปมันไม่มีนยรยอะไรไม่มีความสำคัญอะไรแต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันล้วก็จะเสียสมาธิเสียสติจะไม่จะไม่สามารถเข้าไปสู่ความสงบได้ เ ร, เราอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุทโธหรือให้สนใจสนใจอยู่กับลมหายใจเองอย่างเดียวแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้คําถามก็หมดแล้วนะสําหรับวันนี้ท่านที่ยังไม่ได้ตอบก็พรุ่งนี้ยังมีอีกถ้ายังไม่ตายนะถ้าตายก็ไม่มีแนละ้วก็ไม่แน่น่าจะตายก็ได้เนี่ยเออ